บุกทูยี่สิบเก้าดูเด็กที่ร้านอาหารหนึ่งเอนละรสตอรซีโต๊ะนี้ว่างไหมคะชัล่ตารางอสตาสลเบรดิฉันอยากได้รายการอาหารคะ่ะ คุณมีอะไรแนะนำไหมคะดิฉันขอเบียร์ค่ะี่ฉันขอน้ำแร่ค่ะดิฉันขอน้ำส้มค่ะดิฉันขอน้ำส้มค่ะ ดิฉันขอกาแฟค่ะมิชัตุสคาฟอนดิฉันขอกาแฟใส่นมค่ะมิชัตุสคาฟอนคุนลักโตการุณาใส่น้ำตาลด้วยนะคะคุณซูเกโรมิเตตัสดิฉันขอชาค่ะมิชัตุสเติร์น ดิฉันขอชาใส่มะนาวค่ะมีชาตียนคุณรอนดิฉันขอชาใส่นมค่ะมีชาตนคุณลกโคุณมีบุหรี่ไหมคะชูวิหาวสซิการ์เคุณมีที่เขี่ยบุหรี่ไหมคะชูวิหาวสซินดรูยอน คุณมีไฟไหมคะช่วยมีหวัวสไฟร์นดิฉันขาดซ่อมค่ะ Al mi m ม n นกัสฟอร์ดิฉันขาดมีดค่ะ Al m ม m a n นกัติดิฉันขาดช้อนค่ะ Al mi m a n c a ั r o ูล